ทีนี้มาขึ้นมงคลคาถาที่แปดนะนะขันติจะโสวะจะัสตาสัมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังเนี่ยนะว่าไอ้คว่าขันติได้แก่ความอดทนเนี่ยนะคำว่าโสวะจะัสตาเนี่ยนะก็คือความว่างง่ายสุวะจัสตาเพราะมีความว่างง่ายเพราะเป็นผู้ถือเอาโดยเบื้องขวา กรรมของผู้ว่าง่ายชื่อว่าโสวจัตสะเนี่นะความเป็นแห่งกรรมผู้ว่าง่ายชื่อว่าโสวจัตสตาภาวะนะคำ ว, ว่าสมณะสมณะคือเพราะระ ง, งับกิเลสทั้งหลายนี่นะผู้ที่ระ ง, งับกิเลสทั้งหลายนะชื่อว่าสมณะการเห็นสมณะก็คือการเพ่งดูส่วนการสนทนาธรรมนี่นะก็ชื่อว่าธรรมสากัดชา้าอธิบายว่า อธิบายในคาถาเหล่านั้นนะนะว่าขันติเนี่ยนะคำว่าขันติหมายถึงอธิวาสนะขันติเนี่ยนะคือความอดทนคือความระงับเนี่ยนะที่ภิกษุ ป, ประกอบด้วยขันตินั้นแล้วย่อมไม่มีอาการผิดปกติเป็นเหมือน น, นะนะผู้เหมือนไม่ได้ยินบุคคลที่ด่าด้วยอโกสวตถุสิบเนี่ยนะ อกโกตวัตุสิบก็หมายถึงเขาด่ากระทบโคตกระทบตระกูลกระทบชื่อกระทบผิวพรรณรูปร่างศิละปะวิทยาฐานะความรู้นะถึงเขาด่ากระทบก็ทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินเลยนะและเหมือนไม่เห็นบุคคลผู้เบียดเบียนด้วยการฆ่าและการจองจำเป็นต้นเหมือนขันติวาทีดาบทฉนั้นเนี่ยนะอดทนระดับนี้เนะี่ยคือไม่มีโทสะเลยนะแล้วคนที่ไม่มีโทสะนะั่นแหละเรียกว่าคนอดทนอย่างที่พระองค์ตรัสว่า สมณะผู้แสดงขันติได้มีมาแล้วในอดีตการพระเจ้ากาสีได้ทรงทําลายสมณะผู้ตั้งอยู่ในขันตินั้นแหละนะถึงเข้าฆ่าก็ไม่โกรธเ้าอ่ะ น, นะนี่อะไรทย่ว่ามีคนมีขันติอย่างแท้จริงเนี่ยนะคนที่ไม่โกรธนั่นแหละคือคนที่มีขันติหรือว่าวิธีที่จะอดทนก็สายใจว่าเขาทําดีแล้วเพราะไม่มีความผิดยิ่งกว่าเหมือนท่านพระปุณณเถระนะที่ท่านพระปุณณนะ กลาบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้คนชาวสุ น, น, สนาปรันตกะจักด่าจักบริพาทข่าพระองค์ใสในข้อนั้นข้าพระองค์ก็จักสายใจว่าผู้คนชาวสุนาปรันตกะเหล่านี้เป็นผู้เจริญหนาดีจริงว่งเงนชาวสุนาผู้คนชาวสุนาปรันตกะเหล่านี้เป็นผู้เจริญดีหนอ ผู้คนเหล่านี้ไม่ตีฆ่าพระองค์ด้วยมือเป็นต้นนะนะโอ้ดีแล้วที่เขาด่าเฉยๆเขาไม่ตีอนะถ้าเขาตีหลักเออก็ดีกว่าเขามาตัดไม้ตัดมือถ้าเขาตัดไม้ตัดมือก็ดีกว่าเขาฆ่าถ้าเขาฆ่าเออดีแล้วสามณะทั้งหลายเขาไม่ได้เบื่อหน่ายในชีวิตเต็มทีแล้วเขามาฆ่าเองไม่ต้องใช้ให้เขาฆ่ามันก็ดีแล้วเหมือนกันเลยตายพลน์สักทีเหมือนกันนะสรุปแล้วดีหมดเลยนะเป็นหลวงพ่อดีไปเลยครับเนี่ยอเลยไม่โกรธเลยคนที่มีขันติอย่างแท้จริงเหมงอนกันนี่เป็นมงคลจริงๆ และที่ภิกษุประกอบด้วยขันตินั้นแล้วย่อมเป็นผู้ที่แมรฤาษีทั้งหลายพึงสรรเสริญเนี่ยนะคนที่มีขันติจริงๆเนี่ยนะแม้แต่ท่านสารพังฤาษีท่านก็ยกย่องว่าคนฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกในการไหนฤาษีทั้งหลายย่อมสรรเสริญการละความลบลู่คนควรอดทนคำหยาบที่คนทั้งปวงกล่าวแล้ว สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญขันตินั้นว่าสูงสุดเนี่ยนะสุดยอดอนะนะเอตังขันติงอุตามะหุสันโตวะงานไหนความอดทนนี่แหละสูงสุดยอดเลยนะและย่อมเป็นผู้ที่แม้เทวดาทั้งหลายก็พึงสรรเสริญนะคนอดทนเนี่ยนะคนมีขันติเทวดาก็ยกย่องอนะนะเหมือนอย่างที่ท้าสักกะจอมถวยเทพตรัสไว้ว่าผู้ใดเป็นคนแข็งแรงเนี่ยนะคนมีกําลังนะอดกลั้นต่อคนอ่อนแอ หมายความว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแข็งแรงมากแต่ว่าคนอ่อนแอมาเบียดเบียนแล้วอดทนได้สัตว์บรุษทั้งหลายสรรเสริญขันตินั้นของผู้นั้นว่าเป็นเยี่ยมคนอ่อนแอย่อมต้องอดทนอยู่เป็นประจำเนี่ยนะคือโดยปกติทั่วไปเลยนะคนที่มีกำลังมากก็จะอดทนต่อคนอ่อนแอทำให้ไม่ได้เนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าคนที่มีกำลังมากอดทน ที่คนอ่อนแอมามาทำให้ได้เนี่ยก็โอ้โหสุดยอดแล้วนะและความอดทนนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงสรเสริญน่ะ น, นะที่พระองค์ตรัสไว้ว่า mm. ผู้ใดไม่โกรธอดกลั้นการดา่า mm. การฆ่าและการจองจำได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีขันติเป็นกำลังมีกองกำลังว่า พรามเนี่ยนะอันพรามก็คือผลที่ไม่โกรธเนี่ยนะอดทนได้ไม่เกลี้ยงไม่โกรธนี่นแหละก็คันตินั้นๆเพิ่งทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบคุณเหล่านั้นและคุณอื่นๆที่สงสารเสริญไว้ในที่นี้เนี่ยนะคนที่มีความอดทนก็จะได้รับการยกย่องเป็นต้นนี้ก็เป็นมงคลส่วนมงคลข้อต่อไปก็คือโสวัจสตาเนี่ยนะนะความเป็นผู้ว่างง่ายนะั้นอธิบายว่า เมื่อถูกเพื่อนสัพพมาจารีว่ากล่าวโดยธรรมะก็ไม่ถึงความฟุงรร้งซ่านเนี่ยนะความนิ่งงันหรือคิดถึงคุณและโทษวางความเอือ้อเฟื้อความเคารพและความมีใจตกลงต่ําเป็นเบื้องหน้าอย่างยิ่งแล้วเป่งค่อยคําว่าดีและขอรับดังนี้เชื่อว่าโสวัจสตาคือหมายคำว่าเวลาเขาบอกเขาแนะนําเขา ก็ไม่โกรธเขาอะนะว่าง่ายรวบรวมความเคารพเอื้อเฟื้อคล้ายๆพระราหุลแบบนั้นโซว จ, จัสตาคือความว่าง่ายนี่นะโงตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ได้อววาดและอนุสาสนีจากสำนักเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายและเพราะเป็นเหตุละโทษและบรรลุคุณนี่นะเพราะฉะนั้น ผู้ที่ว่าง่ายก็จะได้รับการชี้แนะจากท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยนะจากผู้รู้ทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าคนที่ว่ายากว่าคําเถียงสามคำอย่างเงี้ยนะมีใครบอกเลยนะว่าคําเถียงคํานี้เขาก็ไม่แนะนําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับกัลยาณนนมิตรเนี่ยนะผู้มีคุณธรรมสระพรหมจรีผู้มีคุณธรร ม, ร ม, ร ม, รรมเขาแนะนําอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณก็สามารถเอื้อเฟื้นในถ้อยคําทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนว่าง่าย นี้มงคลข้อต่อไปก็คือการได้เห็นสมณะทั้งหลายเลยนะสมนานันจะทัศนังเนี่ยนะว่าการเข้าไปหาการบำรุงการระลึกและการฟังการเห็นนักบวชทั้งหลายผู้ระงับกิเลสแล้วผู้ที่อ บ, บรมกายอ บ, บรมวาจาอ บ, บรมจิตและอ บ, บรมปัญญาแล้วเนี่ยนะผู้ประกอบด้วยความสงบอย่างสูง นะก็คือการเข้าไปหาอย่างที่ว่าเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าการเห็นสัมมณะทั้งหลายเนี่ยนะสัมมณะก็เน้นผู้ที่ระ ง, งับกิเลสแล้วเนี่ยนะนักบวชที่ระ ง, งับราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองแล้วหรือผู้ที่อบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วเนี่ยนะการเข้าไปหาการนลึกการฟังการเห็นเนี่ยแหละชื่อว่าทสัสมณานันจะทัศนัง การเห็นสมณะแม้ทั้งหมดท่านกล่าวว่าทัศนะโดยเทสนาอย่างต่ำเหมนนเถอะเพราะว่าเห็นเป็นเหตุให้นั่งใกล้นั่งใกล้ได้เงี่ยโสดลงฟังเป็นต้นนั่นเองการเห็นสมณนั้นเพิงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเหตุไรเพราะมีอุปการะมากจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นต้นว่าดูกวาพิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าการเห็นภิกษุเหล่านั้นมีอุปการะมาก เพราะบุญอันใดกุลบุตรผู้ต้องการประโยชน์เห็นภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมาถึงประตูเรือนผีว่าทายธรรมมีอยู่ก็พึงนับถือด้วยทายธรรมตามกำลังผีว่าไม่มีก็พึงไหว้ด้วยเบญจงังคประดิษฐ์เมื่อการไหว้อย่างเบญจงังคประดิษฐ์ยังไม่พร้อมก็พึงประคองอัญเชลีนวัสการ เมื่อการนอบน้อมอยังไม่พร้อมก็มีจิตผ่องใสแลดูด้วยจากสุที่น่ารักเลยนะและด้วยปิยะจากสุคือดูด้วยเมตตาด้วยบุญที่มีการแลดูเป็นมูลอย่างนี้โรคหรือโทษมีฝ้าหรือต่อมจะไม่มีในจากสุเพางั้นเนี่ยดูด้วยจากสุที่เป็นเมตตาเนี่ยนะตลอดหลายพันชาติจากสุทั้งสองก็จะผ่องใสมีสิริมีวันนะห้า เสมือนบานประตูกแก้วมณีที่เปิดในรัตนะวิมานเขาจะได้สมบัติในเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนกับข้อที่เขาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนมีปัญญาพึงสเสวยวิบากสมบัติเห็นปานี้ก็ด้วยบุญที่สำเร็จแต่การเห็นสมณะซึ่งเขาประพฤติมาโดยชอบไม่น่าอาัศาจรรย์เลยแม้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะบัณฑิตทั้งหลาย พึงพันณนาวิบากสมบัติของการเห็นสมณ น, นที่เพียงทำศรัทธาให้เกิดแล้วอย่างเดียวว่าอย่างนี้ในบาลีประเทศใดว่านกฮูกตากลมอาศัยอยู่ที่เวทยกะบัรพศมาตลอดกาลยาวนานนกฮูกตัวนี้สุขแท้หนอเห็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐซึ่งลุกขึ้นแต่เช้ามันทำจิตให้เลื่อมสายในตัวเราและภิกษุสงฆ์ผู้ยอดเยี่ยม ไม่ต้องไปทุกขติถึงแสนกับมันจุติจากเทวโลกอันกุศลกรรมตักเตือนแล้วจกเป็นพระพุทธผู้มีอนันตญาณปรากฏนามว่าโสมนัสเนี่ยนะนกหูกตากลมมองพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสแบบนั้นะก็จะได้บรรลุในในอนาคตต่อไปหรืออย่างห น, นึ่งเนี่ยน ะ, อ, ะอย่างมัตตุณตลีเนี่ยนะนายตุ่มหูเกลี้ยงเนี่ยนคะาถาธรรมบทเนี่ย แลดูพระพุทธเจ้าในะการแลดูอ น, นั้นเนี่ยนะเป็นเหตุปัจจัยตอนหลังแกได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะที่แลดูพระพุทธเจ้าด้วยด้วยศรัทธาเลื่อมสายเนี่ยนะพอมองเห็นก็ยังจิตให้เลื่อมสายเพรา ะ, ะการเห็นสัมมณะทั้งหลายลักษณะนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งทีนี้ข้อมงคลต่อไปก็คือการสนทนาธรรมตามกาเนี่ยนะกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังกะละมุตตมังเนี่ยนะ หมายถึงว่าในเวลาพรบค่ําหรือในเวลาย่ำรุ่งพิสูจน์ฝ่ายพระสูตรสองรูปย่อมสนทนาพระสูตรกันฝ่ายพระวินัยก็สนทนาพระวินัยการฝ่ายพระพิธรรมก็สนทนาพระพิธรรมกันฝ่ายชาดกก็สนทนาชาดกกันฝ่ายอัตถกถาก็สนทนาอัตถกถากันหรือสนทนาการน ใ, นในการ น, นั้นๆเพื่อชําระจิตที่ถูกความหดหู่ความฟุ้งซ่านและความสงสัยชักนําไป การสนทนาธรรมตามกาลนี้ชื่อว่าการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการนั้นจัดว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งคุณทั้งหลายมีความฉลาดในอาคมคือฉลาดในนิกายทั้งห้าเป็นต้นนั้นแลถ้าหมั่นสนทนาบ่อยๆก็จะแตกฉานในทีคณิกายแตกฉานในมัชฌิมนิกายแตกฉานในสังยุตตคิกายแตกฉานใน อังคูตรนิกายหรือแตกฉานในคุทธกานิกายทั้งหลายเนี่ยนะการสนทนาธรรมนั้นเป็นเหตุให้ฉเฉลียวฉลาดในพระปริยัติธรรมเนี่ยนะอันในคาถานี้ก็กล่าวถึงว่าความอดทนก็เป็นมงคลเนี่ยนะความเป็นผู้ว่างง่ายก็เป็นมงคลการได้เห็นสัมมาณะทั้งหลายก็เป็นมงคลการสนทนาธรรมตามการก็เป็นมงคลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในคาถาที่ แปดนี้กล่าวมงคลไว้สี่มงคลเนี่ยนะมันมงคลแต่และอย่างนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญเป็นเหตุแห่งความสุขต่อไปทีนี้มาขึ้นคาถาที่เก้าเลยนะตะโปจะบรัมจริยันจะอริยะสัจจานัศนังนิพพานะสัจคิกริยาจะเอตัมมังคะลุมตัมมังในมงคลคาถาที่9นะ้ า, า9มีอยู่สี่มงคลด้วยกันคือตบะเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะ พรหมจาร์ น, นี่หนึ่งการเห็นอริยศาสตร์หนึ่งการกระทำพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยหนึ่งคําว่าตบะหมายคําว่าเผาบาปประธรรมทั้งหลายนานเนี่ยนะส่วนคําว่าพรหมจาร์นี่หมายหมายถึงว่าความประพฤติอย่างพรหมหรือความประพฤติของพรหมเนี่ยชื่อว่าพรหมจาร์อธิบายว่าหมายถึงการประพฤติอย่างประเสริฐการเห็นอริยศาสตร์ทั้งหลายชื่อว่าอริยศาจานัศนังเนี่ยนะ คำว่านิพานนี้เพราะเว้นจากตันหาหรือออกจากตันหาเครื่องร้อยรัตมา ง, งั้นเลยไม่มีตันหาเครื่องร้อยรัตนั่นแหละ ช, ah หหชื่อว่านิพานคําว่าสัจฉิกิริยาก็คือทําให้แจ้งการทําท่นิพานให้แจ้งชื่อว่านิพพานะสัจฉิกิริยาส่วนสังวร น, นาอธิบายว่าอินริยะสังวรชื่อว่าตบะเนี่ยนะอินสีสังวรสีเนี่ยชื่อว่าตบะนะเพราะ เผาอภิชาและโทมนัดเป็นต้นหรืออาตาปะอาตาปะความเพียรก็เป็นชื่อของตาบะเหมือนกันอันคาว่าตาบะนี่มีสองในคือในหนึ่งก็อินทรีย์สังวรอีกในหนึ่งก็คือความเพียรเพราะเผาวความเกียดคร้านบุคคลผู้ประกอบด้วยตาบะเหล่านั้นท่านเรียกว่าอาตาปีคือคนที่มีอินทรีย์สังวรคนที่มีความเพียรเนี่ยไนหะแต่ว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุและอภิชาเป็นต้นเนี่ยนะ ถ้าหากว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยนะคนที่มีอินทรีย์สังวรก็อภิชาและโทมนัตก็ไม่เกิดอกุศลบาปประรรมทั้งหลายก็จะไม่เกิดในทวารทั้ง6ส่วนคนที่มีความภาคเพียรก็จะทําให้ได้ฌานเนี่ยนะทั้งปฐมฌานทุติยฌ า, านตัตยฌ า, านเป็นต้นหรืออรูปฌานหรือบรรลุมรรคผลนิพานก็อาศัยความเพียรเนี่ยนะองคตว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็อาศัยความเพียร ส่วนคําว่าพรหมจรรย์เนี่ยนะพรหมจรรย์นี้โดยศัพท์เนี่ยนะบางทีก็หมายถึงการงดเว้นจากเมถุนอย่างหนึ่งหรือการบําเพ็ญสมณธรรมในอย่างหนึ่งศาสนาหรืออริยมรรยเนี่ยนะมี4ความหมายนะคำว่าพรหมจรรย์ในพระไตรปิฎกส่วนพรหมจรรย์ในที่นี้เนี่ยนะในนี่หมายเอาทุกข้อเลยเนี่ยนะตั้งแต่การงดเว้นจากเมทุนก็ชื่อว่าพรหมจรรย์การประพฤติสมณธรรมเนี่ยนะการบําเพ็ญสมณธรรมก็ชื่อว่าพรหมจรรย์ หรือว่าภศาสนาที่ประมวลสิกขา 3, สามเนี่นะศีลสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าพรหมจรรย์เนี่นะอริยมรรคก็ชื่อว่าพรหมจรรย์แต่ในที่นี้ส่วนคําว่ามรรคพรมจรรย์นี้จะอธิบายข้างหน้าแต่ในที่นี้ประสงค์เอาการเว้นจากเมตุนการบําเพ็ญสมณธรรมหรือว่าในศาสนาที่เป็นไปกับสิกขาสามอันนี้ก็ชื่อว่าพรหมจรรย์เนี่ยนะ ก็พรหมจรรย์นั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษนานาประการชั้นสูงสูงต่อไปเนี่ยนะถ้าประพฤติพรหมจรรย์เหล่านี้นะการเว้นจากเมตุนการประพฤติสมณะธรรมหรือว่าในาศาสนาพรหมจรรย์เนี่ยนะศาสนาพรหมจรรย์ถึงหมายถึงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะประสบคุณธรรมชั้นสูงชั้นสูงต่อต่อไปส่วนมงคลข้อต่อไปเรียกว่าอริยสัจจานัศนังเนี่ยนะ การเห็นอริยสัจนี้ก็คือการเห็นด้วยมัคนีการเห็นด้วยมัคโดยตรัสรู้อริยสัจที่ตรัสแล้วในโุมารปัญหานะที่เราเคยเรียนมาแล้วนะในโุมารปัญหาที่บอกว่าอนนอะไรเอ่ยชื่อว่าสี่การเห็นอริยสัจสี่นั่นแหละนั่นนะอริยสัจนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุล่วงทุกในสังสารวัฏนะเพราะว่าคนที่เห็นอริยสัจแล้วก็พ้นจากวัตฏทุกข์ทั้งมวล ส่วนนิพพานสัจจิคิริยานี้หมายเอาอารหัตผลนะอรหัตผลท่านประสงค์เอาว่านิพพานในที่นี้เพราะที่ชื่อว่านิพพานสัจจิคิริยาการกระทําให้แจ้งพระนิพพานอธิบายว่าอารหัตผลแม้นั้นท่านกล่าวว่านิพพานเพราะออกจากตัณหาที่เข้าใจกันว่าวานะเพราะร้อยรัดเอาไว้ในคติห้าเรียกว่าจากคติสู่คติจากคติสู่คติอยู่นั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่า ทำให้แจ้งอร h ัต h a แล้วก็ไม่ต้องปฏิสนที่ในคติใดๆอีกเลยการถึงหรือการพิจารณาพระนิพพานนั้นเรียกว่าสัจจิกิริยาแต่การกระทําให้แจ้งพระนิพพานนอกนี้สาเร็จได้ด้วยการเห็นอริยสัจนั่นแลด้วยเหตุนั้นการเห็นอริยสัจท่านจึงไม่ประสงค์เอาที่นี้ในที่นี้ประสงค์เอาการทาให้แจ้งอรหัต h a เนี่ยนะ การทําพระนิพพานให้แจ้งหรือการทํำพาหัตผลให้แจ้งเนี่ยนะเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นต้นด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นในคาถาที่เก้าเนี่ยนะโปรงตรัสว่าความเพียรหนึ่งนะตบะเนี่ยนะตบะหนึ่งพรหมจรรย์หนึ่งการเห็นอริยสัจหนึ่งการทำพรหัตผลให้แจ้งหนึ่งเนี่ยนะสี่ประการนี้เป็นมงคลนี่นะเป็นมงคล ส่วนในคาถาที่สิบเนี่ยนะคาถาที่สิบกล่าวถึงมงคลเอาไว้สี่ประการว่าพุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยะสานกรรมปฏิอโศกังวิรชงังเขมังเอต ม, งมตมังคลมุตตมังเนี่ยนะ ที่บอกว่าจิตของผู้ใดอันโลกธรรมถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวหนึ่งเนี่ยนะไอ้คำว่าจิตที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยหนึ่งเป็นมงคล 2. จิตที่ไม่เศร้าโศก 3. จิตที่ปราศจากทุรี 4. จิตที่กเกษมเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เป็นมงคลซึ่งอธิบายว่าจิตของผู้ใดอันโลกธรรม8มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกขถู ก, กต้องครอบงามแล้วก็ไม่หวั่นไหวหมายคือว่าถ้าได้ลาบ ได้ยศได้รับคําสรรเสริญได้รับความสุขก็ไม่ฟูขึ้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเสื่อมลาบได้รับการนินทาติเตียนได้รับความทุกข์ก็ไม่แฟบลงว่างั้นเถอะเมื่อรับอารมณ์ที่ดีก็ไม่มีโลภะรับอารมณ์ที่ร้ายก็ไม่มีโทสะไ ม, ไม่ฟูไม่แฟบด้วยโลภะและโทสะเนี่ยนะคนที่มีจิตลักษณะนี้เรียกว่าจิตของผู้ใดอันโล ก, กธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวจิตของผู้นั้นแหละพึงทราบ ว, ว่าเป็นมงคลเพราะ นำมาซึ่งความเป็นผู้สูงสุดเหนือโลกเนี่ยนะซึ่งธรรมะรายๆให้วันไหวไม่ได้ทีนี้ถามว่าเออจิตของใครละ่ะถูกโลกกระทำเหล่านั้นกระทบแล้วไม่หวันไหวบอกได้เลยว่าจิตของพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสะวะแล้วไม่ใช่จิตของใครอื่นเนี่ยนะจิตของพระโสดาบันก็ยังหวันไหวอยู่ใช่ไหมหลานตายก็ร้องไห้เป็นต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจิตของพระอรหันต์นั่นแหละจึงเป็นจิตที่ไม่หวันไหวอ ย, อย่างแท้จริงอย่างที่พองศักดิ์ว่า ผู้เขาหินแท่งทึบเนี่นยนะย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำรมรมณ์ทั้งสิน้นทั้งส่วนอิทธารมณ์ทั้งส่วนอานิถารล์คือทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาทั้งไม่น่าปรารถนาย่อมทําจิตของท่านผู้คงที่ให้หวั่นไหวไม่ได้ก็ฉะนั้นด้วยว่าจิตของท่านที่มั่นคงหลุดพ้นแล้วย่อมเห็นความเสื่อมอยู่เนืองเนืองเนี่ยนะเพราะว่ า, วาท่านเห็น ความไม่จีรังยั่งยืนอยู่แล้วเนี่ยนะท่านเจริญอ น, อนุปัสนาอย่างเชี่ยวชาญอยู่แล้วเขบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะเห็น อ, อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยชนานาญมากเหมืนั้นเถอะแล้วก็เห็นตัณหาทั้งหลายหรือกามทั้งหลายเหมือนกับหลุมฐานเพลิงเนี่ยนะแล้วก็มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานในโพชฌงในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพราะฉะนั้นจิตของท่านจึงเป็นจิตที่มั่นคงจริงๆ นะมงคลข้อต่อไปเรียกว่าอาสศกังเนี่ยนะความไม่เศร้าโศกอันนี้ก็หมายถึงจิตของพระอรหันต์เท่านั้นแหละชื่อว่าอาสศกะเพราะไม่เศร้าโศกอธิบายว่าจิตของพระขีณาสพนั้นชื่อว่าอาสศกะเพราะไม่มีความเศร้าโศกที่ท่านกล่าวไว้โดยนเป็นต้นว่าความโศกความเศร้าความเป็นผู้เศร้าโศกความแห้งใจความแห้งผักในภายในความที่ถูกความเศร้าโศกแผดเผาเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นอาโสกะในที่นี้หมายถึงจิตของพระอรหันต์ที่ไม่ถูกโทสะครอบงำเลยเนี่ยนะทีนี้ต่อไปว่าจิตของพระขีณาสพเท่านั้นชื่อว่าอาโสกะชั้นใดก็ชื่อว่าวิรชะเขมะก็ชั้นนั้นจิตของพระอาหารหันต์นั้นชื่อว่าวิรชะเพราะปราศจากละอองทุลีกิเลสมีราคาโทสะโมหะเป็นต้นไม่มีละอองอันนั้นไปซึมไปซาบเลยให้ควรมัวเนี่ยนะไม่มีทุลีเหล่านั้นเลย แล้วจิตของพผ้าฐานไี้ชื่อว่าเขม ะ, กะเกษมคือปลอดภัยจากตามะโยคะทิฏฐโยคะภวะโยคะและอวิชายโยคะเพราะว่าจิตทั้งสมอย่างนั้นโดยที่ท่านกล่าวถือเอาแล้วในขณะจิตเป็นใจในอารมณ์นั้นๆโดยอาการนั้นๆพึงทราบ ว, ว่าเป็นมงคลจิตของผ้าฐานเหล่านี้เป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งความเป็นผู้สูงสุดเหนือโลก มีความเป็นผู้มีขันอันไม่เป็นไปแล้วคือไม่ปฏิสนธิอีกต่อไปและเพราะนำมาซึ่งความเป็นอาหุไนยะบุคคลเป็นต้นเนี่ยนะเป็นคนที่ควรต้อนรับเป็นคนที่ควรเชื่อเชิญเป็นควรอันพูดควรทําอัญชลีกรรมเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าท่านบริโภคปัจจัยสีก็บริโภคแบบเจ้าของบริโภคแบบไม่มีตันหามานะฉาบทาเพระฉะนั้นผู้ที่มีสภาพจิตในลักษณะนี้จึงเป็นผู้ที่ มีมงคลจริงๆเหมือนกันอันในมงคลคาถาเนี่ยนะคาถานี้ตรัสไว้สี่มงคลคือจิตที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมแปดในอย่างหนึ่งจิตที่ไม่เศร้าโศกในอย่างหนึ่งจิตที่ไม่มีทุลีคือกิเลสในอย่างหนึ่งจิตที่เกษมในอย่างหนึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นมงคลทีนี้กล่าวสรุปว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ทำมงคลเช่นนี้แล้วคือทำมงคลทั้ง38ประการแบบนี้แล้วเป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี้เป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นถ้าหากว่าปฏิบัติได้ตามมงคลลักษณะนี้นะไม่แพ้ไม่แพ้ข่าสึกทั้งสี่ประเภทเลยไม่แพ้ขันธมารไม่แพ้กิเลสมารไม่แพ้อภิสังขารมารไม่แพ้แม้กระทั่งเทวปุตตมาร แม้แต่ประเภทเดียวก็ทำให้พ่ายแพ้ไม่ได้ในที่ทั้งปวงอธิบายว่ายัางมารทั้งสี่ให้พ่ายแพ้ด้วยตัวเองคือทำลายมารได้ว่างั้นสัพพะัทะโสดิ้งขัดชันติความว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมกระทำมงคลเช่นที่กล่าวมานี้เป็นผู้อันมารทั้งสี่ทำให้พ่ายแพ้ไม่ได้แล้วย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงคือในโลกนี้และโลกหน้าและที่ยืนและที่เดินเป็นต้น อาสะวะเหล่าใดที่ทำความคับแขนและเร่าร้อนพึงเกิดขึ้นเพราะการคบคนผ่านเป็นต้นเหตุไม่มีอาสะวะเหล่านั้นจึงถึงความสวัสดีคือปลอดภัยจริงๆเลยนะคนที่ปฏิบัติตามมงคลได้ทั้งสามสิบปดเป็นคนปลอดภัยอย่างแท้จริงเนี่ยนะท่านอธิบายว่าเป็นผู้อันอุปัทะวะคือภัยทั้งหลายไม่ขัดขวางอันอุปสรกดไม่ขัดข้องเกษมปลอดโปรง่งไม่มีภัยเฉพาะหน้าไป เพราะฉะนั้นเป็นคนที่สวัสดีจริงๆเลยนะเป็นคนที่ปลอดภัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปเนี่ยนะถ้าประกอบด้วยมงคลทั้ง38เหล่านี้ก็บอกว่าตังเตสังมังคลมุตตมังเนี่ยนะท่านจบว่าดูก่อนเทพบุตร เพราะเหตุที่ชนผู้กระทามงคลเช่นที่กล่าวนี้ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงถือว่ามงคลทั้ง38ประการมีการไม่คบคนผ่านเป็นต้นนั้นอสูงสุดประเสริฐที่สุดดีที่สุดสำหรับชนเหล่านั้นผู้กระทามงคลเช่นนี้ที่กล่าวมานี้ตอนสุดท้ายเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบอย่างนี้เทวดาแสนโกรธบรรลุพระหัน จำนวนผู้บรลูโสดาบันสกท า, าคาเมียนาคามีนับใหม่ถ้วนอย่งนั้นทีนี้ครั้งนั้นในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระอ น, นเทระมาตรัสว่าดูก่อนอนน์เมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งเข้ามาถามมงคลปัญหาครั้งนั้นเราได้กล่าวมงคลสามสิบแปดประการ แกเทวดาองค์นั้นดูก่อนอนุนเธอจงเรียนมงคลตริยายนี้ครั้นเรียนแล้วจงสอนภิกษุทั้งหลายพระเถระก็เรียนแล้วก็สอนภิกษุทั้งหลายมงคลสูตรนี้นั้นอาจารย์นําสืบสืบกันมาอยู่เป็นไปอยู่จนถึงทุกวันนี้เพิ่งทราบว่ า, าศาสนพรมจันคําสอนที่เป็นไปในศิษยาสามได้แก่อะไรพระวินัยก็เป็นศีลพระสูตรก็เป็นสมถะหรือสมาธิ ปาจิธรรมก็เป็นปัญญาเนี่ยนะศาสนพรหมจรรีคือไตรสิกขาเนี่ยนี้มั่นคงเจริญแพร่หลายรู้จักกันมากหนาแน่นตราบเท่าที่เทวดาและมนุษย์ประกาศดีแล้วจริงมงคลทั้ง3าสนี้ก็นับเนื่องในสิกขาสามอยู่นั่นแหละเพื่อความฉลาดในการสะสมความรู้ในมงคลทั้งหลายเหล่านี้เองเพราะฉะนั้นจะประกอบความสรุปรวบยอดของมงคลทั้งาสดว่า สาทั้งหลายผู้ปรารถนาสุขในโลกนี้โลกหน้าและโลกุตระสุขเหล่านี้เนี่ยนะถ้าต้องการสุขสามอย่างนะคือสุขโลกนี้สุขโลกหน้าแล้วก็โลกุตรสุขสุขที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลนิพพาน่านีละการคบคนพานเสียเนี่ยนะข้อแรกแนะข้อห้ามเหมือนกันมีข้อห้ามคือละการคบคนพานเข้าไปอาศัยแต่บัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาแล้วก็อันการอยู่ในปฏิรูประเทศคือประเทศที่เหมาะสม ความเป็นผู้ทําบุญไว้ในการก่อนตักเตือนในการบาเพ็ญกุศลตั้งตนเอาไว้โดยชอบมีอัตภาพประดับด้วยความเป็นประหูสูตรมีศิลปะแล้วก็มีวินัยที่ศึกษาดีแล้วเนี่ยนะกล่าววาจาสุภาษิตอันเหมาะแก่วินยัย ยังไม่ละเพศครือหัดตราบใดถ้ายังเป็นคราวาตอยู่นะก็ให้ชำระมูลหนี้เก่านะไปใช้หนี้เก่าด้วยการบำรุงมารดาและบิดาประกอบมูลหนี้ใหม่ด้วยการสงเคราะห์บุตรและพัรยาประกอบมูลหนี้ใหม่นะเป็นนายทุนกับเข้ากับตอนนี้นะนะถึงความมั่งคั่งด้วยทรัพย์และข้าวเปลือกนี่นะด้วยความเป็นผู้มีการงานไม่อากลยึดสาระแห่งโภคด้วยทาน และสาระแห่งชีวิตด้วยการประพฤติ ธ, ธรรมกระทำประโยชน์เกื้อกูลของแก่ชนของตนด้วยการสงเคราะห์ญาติและประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนอื่นๆด้วยความเป็นผู้มีการงานอันไม่มีโทษงดเว้นการทำร้ายผู้อื่นด้วยการเว้นจากบาปงดเว้นการทำร้ายตัวเองด้วยการระวังคือสำรวมในการดื่มกินของเมาเพิ่มพูนฝ่ายกุศลด้วยความไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลาย และเพศเครือหัดด้วยความเป็นผู้เพิ่มพูนกุศลแม้ตั้งอยู่ในภาวะบรรปะชิตยังวัดสัมปทาถึงพร้อมด้วยวัดให้สาเร็จด้วยความเป็นผู้เคารพในพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าและอุปชาเป็นต้นด้วยความถ่อมตนละความโลภในปัจจัยด้วยสันโดษตั้งอยู่ในสับปะริสุภูมิ ด้วยความเป็นผู้กระตัญยูและความเป็นผู้มีจิตหดหูด้วยการฟังธรรมครอบงาอันตรายทุกอย่างด้วยขันติทำตนให้มีที่พึ่งด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายนะดูการประกอบข้อปฏิบัติ ด, ด้วยการเห็นสมมณะบรรเทาความสงสัยในธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยด้วยการสนทนาธรรม ถึงสีและวิสุท ธ, ธิด้วยตาบะคืออินทรียสังวรเนีย่ยนะเขาบอกถ้าพูดอินทรียสังวรศีน่าจะตกปาลิสุทธิ์ที่สีก็เท่ากับแสดงแล้วถึงจิตวิสุท ธ, ธิด้วยพรหมจาร์คือสัมมาธรรมเนีย่ยนะการบําเพ็ญสมมาธรรมก็คือการทําจิตให้บริสุทธิ์นั่นเองอย่างวิสุท ธ, ธิทั้งสี่คือคืออะไรทิฏฐิวิสุท ธ, ธิกังขาวิตรณวิสุท ธ, ธิมาาัคคามัคคายานัทสนวิสุท ธ, ธิปฏิปทายาณทัทสนวิสุท ธ, ธินอกนั้นให้ถึงพร้อม ถึงยาณทัศนวิสุทธิคืออริยมรรคเนี่ยนะอันเป็นปริยายแห่งตาเห็นอริยสัจด้วยปฏิปทานี้กระทำให้แจ้งพระนิพพานอันได้นับว่าอรหัตผลซึ่งครั้นกระทำให้แจ้งแล้วเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกกระทำแปดเหมือนสิเนรุบรรพศไม่หวั่นไหวด้วยลมและฝนย่อมเป็นผู้ไม่เศร้าโศกปราศจากละอองกิเลส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 อุดมของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นมงคลที่สูงสุดเป็นมงคลที่สุดยอดเนี่ยนะอันถ้าหากว่าสามารถประพฤติปฏิบัติตามมงคลเนี่ยนะอันนี้เป็นมงคลอย่างแท้จริงว่างั้น